ไม่ให้อยู่แล้วมันหมดสมรรถภาพในการทํางานเป็นครูพระศึก ษ, ษาเนี่ยกระโดดโรดเต้นไม่ได้เนี่ยก็หมดค่าแล้วไปนอนอยู่บนเตียงที่บ้านใจตกงานมันเครียดอีกแบบหนึ่งนะี่จะทําอะไรแล้วยิ่งพิการไปไหนก็ไม่ได้เนี่ยออถ้าตกงานแล้วไปไหนได้ก็ยินชั่วหน่อยไปดูหนังฟังเพลงอันนี้นอนติดอยู่กับเตียงเหมือนคนติดคุกคนติดคุ ก, กกับคนติดเตียงเนี่ยมันคล้ายๆกันนะติดเตียงในแย่ติดคุกอีก ติดคุกเดินไปไหนมาไหนได้ติดเตียงเนี่ยมันถูกตีตรวนเนี่ยมันเพราะว่าของผมมาสมัยก่อนมันก็เครียดมันก็ทุกข์แต่ก็ยังดีนะยังมีญาติธรรมมาเยี่ยมเยียนมาก่อนไม่เร็วญาติธรรมนาเรียกว่าญาติมาเยี่ยมเยียนพูดคุยกันคุยไปกุมาเขาบอกว่าเขานี่ขี้เกียจทํางานมากเกียจทํางานงานมันวุ่นวายมันเบือ่อ้ผมก็ฟังตรงนี้ก่อ๋อ๋ ะ, อะไม่เป็นไรนะ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 แต่ถ้าดีทั้งสองอย่างก็ดีนะไม่ใช่ว่าเลือแต่จิตอย่างเดียวกายอยู่ไหนก็ไม่รู้ปล่อยเขาไม่ได้ถ้าจะให้เลือกเนี่ยสุขภาพจิตดีไปก่อนอันนี้มีข้อพิสูจน์ถ้าหากว่าเรามีสุขภาพจิตดีแล้วเน่ยแม้ว่าร่างกายเนี่ยอาจจะทำรุดทุดโทรมไปบ้างอย่างคนพิการอย่างเงี้ยร่างกายดูแล้วมันไม่ดีผู้สูงอายุเนี่ย แล้วก็คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยออดออแอดๆเนี่ยสุขภาพร่างกายไม่ดีแต่ถ้าสุขภาพจิต ด, ดีเนี่ยเขามีสิทธิจะหาความสุขได้ความสุขความทุกข์ไม่เจอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่จิตใจแต่กลับตรงกันข้ามคนที่สุขภาพกายดีและสุขภาพจิตไม่ดีอย่างเช่นเราจะเห็นว่าคนหนุ่มคนสาวโอร่างกายนี้แข็งแรงมาก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 โดยการที่ให้ร่างกายดีไว้ก่อนให้ร่างกายดีแข็งแรงไว้ก่อนลืมจิตใจให้ความสางคัญกับร่างกายเนี่ยมากมากกว่าจิตใจเ<อ>ขาจึงต้องผิดหวังชีวิตจึงมีปัญหาผมเองก็เช่นเดียวกันสมัยก่อนที่จะพิการ น, นะนะตอนนั้นเรียนหนังสือระดับมหาวิทยาลายัยจนทั้งเป็นอาจารย์สอนอยู่ในวิทยาลายัยจาตาราฝรั่งมาเลยเขาบอกว่า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 ไม่ได้ไปเดินจงกลมเดินไม่ได้นั่งสมาธิก็ได้ไม่นานเมื่อก่อนผมนั่งได้ไม่นานอย่างนี้หรอกส่วนมากจะนอนอยู่บนเตียงซะมากกว่านั่งได้ไม่นานปฏิบัติทำอยู่บนเตียงนอนเนี่ยนอนพลิกมือเล่นเนี่ยทําทั้งวันห้าหกชั่วโมงนอนพลิกมือเล่นเพื่อให้มันเกิดสติให้มีสติจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวของมือเนี่ย ทำมือซ้ายมือขวามาก่อนนี้ไม่ค่อยแข็งแรงหลัลงกายทำจนแขนนี่แข็งแรงเลยเหมือนทำกายภาพบะ บ, ะบะัดให้กับตัวเองทำด้วยความชอบใจพอใจซึ่งการทำกายภาพวัดนี่ผมเคยทามาแล้วทำในโรงพยาบาลกลางคุณหมอคุณพยาบาลก็ให้ทำกายภาพเนี่ยเอาใช้อิลาสติกมัดมือแล้วก็ดึงดึงลอกแต่ไม่ได้ทำด้วยความเต็มใจทาด้วยความจาใจ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 พลิกซ้ายพลิกขวาบนเตียงเนี่ยให้มันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับตัวเองตั้งแต่เช้ายันค่ําทําอยูาอย่างนี้แหละคือการรู้สึกตัวอยู่กับตัวเราเนี่ยจิตมันเริ่มดีขึ้นการเจริญสติเนี่ยท่านผู้ฟังมีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญามีความสงบอยู่ในตัวมีสติระลึกได้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่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 คนลูกชูจันเรารู้เนี่ยปวดอุจลนะแล้วช่วยตัวเองไม่ได้ก็เรียกคนอื่นมาช่วยเรา เ, เวลามันร้อนมันหนาวมดกัดยุงกัดมันบอกกายมันบอกพอเราเฝ้าดูอยู่เนี่ยกายมันบอกสรุกอยู่การแก้ปัญหาตัวเองอย่างเนี้ทานอาหารเรื่องของอาหารอาหารที่มันเกินไปหวานเกินไปเดี๋ยวกายมันบอกแนะอ๋อเนี่ยหวานเกินไปนะวันนี้เพียงพอแล้ว มันมันเกินไปน้าเพียงพอแล้วทานแต่น้อยๆเขาบอกเราซึ่งทุกคนเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วแต่เราไม่มีสติคอยรู้เท่าทันมัเท่านั้น อ, อาหารที่มีสิ่งปนเปื้อนมีผงชุลดเราก็สามารถรู้ได้นี่เรื่องของกายแก้ปัญหาตัวเราตลอดเวลาเลยจนกระทั่งไปเห็นว่าอ๋อความเจ็บไข้ได้ป่วยความพิการเนี่ยเป็นเรื่องของกายความเจ็บป่วยเป็นเรื่องของกาย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 ปกติของกายคือโรคภัยก็เจ็บเบียดเบียนเป็นเรื่องธรรมดามันเห็นตรงนี้แล้วก็ลาออกจากความพิการทางจิตไปเลยจิตไม่ได้พิการแล้วเรือพิการเป็นเรื่องของกายอย่างเดียวเท่านั้ น, นมันสบายอยู่แก่ไหนเนี่ยชีวิตมันเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยเืย่สติที่เราฝึกอยู่เสมอเสมอเนี่ยมันช่วยทําให้เรารู้จักส่วนที่ละเอียดที่สุดในชีวิตเราก็คือจิตใจผู้ที่จะเห็นจิตใจดัง น, นั้นต้องอาศัยสติ ขาสติแล้วก็ลืมดูใจเราเห็นจิตเห็นอาการของจิตคือความคิดไอ้เจ้าความคิดเนี่ยคือต้นปัญหาของความทุกข์นำเอาเห็นความทุกข์มาสู่จิตใจเราความคิดเนี่ยสำคัญมันเป็น เ, เรียกตัวสมุไทยนําเอาความรักความโกรธความเกลียดต่างๆมาสู่จิตใจเราก็เพราะความคิด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 การปฏิบัติธรรมเนี่ก็เหมือนกันเพียงแต่สร้างสติเป็นการให้อาหารแมวสร้างสติมากๆเดี๋ยวมันก็ไปจัดการกับความคิดเองความคิดเราห้ามไม่ได้แต่เราสามารถเจริญสตินำจิตออกจากความคิดได้นี่คือทางรอดของการดับทุกข์ใหกับชีวิตเราเจริญสติมากๆไปเถอะเมื่อมีสติความคิดก็ไม่เกิดขึ้นถ้ามีความคิดจะเกิดก็เป็นความคิดที่เป็นกุศล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 ต้องกายดีก่อนจิตทิงเงดีตามเนี่ยผมก็บทโอกาสมันไม่มีโอกาสหายแล้วพิการไม่หายแล้วผมก็บดโอกาสที่จะมีความสุขได้แล้วผู้สูงก็อยู่อะไรผู้สูงอยู่ในร่างกายเป็นไงสุดซมไม่ไหวแล้วอย่างนี้เขาก็มีความสุขไม่ได้เลยเขามีโอกาสมีความสุขได้เพราะจิตยังมีหวังที่จะแก้ไขแล้วคนที่มีร่างกายเจ็บปวดอ่อนแอ อ, ก อ, อ, ก อ, อ, กอย่างนี้ ร่างกายเขาหมดโอกาสแล้วจิตก็ไม่ดีอย่างนั้น mm hmm. เพราะฉะนั้นจิตสามารถฝึกได้ฝึกให้มีความสุขก็ได้แม้ว่าร่างกายนี้จะไม่มีหวังอยู่แล้วผมก็เลือกฝึกจิตแล้วก็ได้รับผลจากการฝึกจิตจริงๆมีความสุขได้ในสภาพที่ร่างกายเป็นทุกข์ mm hmm. เนี่ยสายธรรมโอดสถดังที่เขาเรียกว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนําสุขมาให้เพราะฉะนั้น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 โอ้โหคนไข่นี่ยจิตตกเลยเจ้าที่ต้องช่วยเก็บจิตให้เข้าขึ้นมานะเี่ยก็จิตตกนานเนเพราะร่างกายเนี่แขนด้วนข้าวนี่หมดสิทธิ์อยู่แล้วมันมีโอกาสได้งอกแบบหายขี้จกหรอกมันด้วนอยู่งั้นตลอดชีวิตนะแต่ทางด้านจิตใจเนี่ยเขายังมีหวังที่จะมีความสุขกับสภาพแขนที่ด้วนได้เหมือนกันให้กำลังใจเขาได้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 สมบัติผัดกันชมลุงก็เข้าใจคุยกันโูกคอก็เลยคุณลุงสมมุตินะสมมติว่าคุณลุงถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้เงิน60บล้านบาทลุงจะทำยังไงอันนี้พูดเล่นนะไม่ใช่เรื่องจริงนะลุงกลัวลุงจะโรคหัวใจจะกําเริบคุณลุงก็บอกว่าอ๋อคุณหมอถ้าผมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหกล้านบาทผมให้คุณหมอ30บล้านทันทีเลยโอ้หมอตาค้างเลยไปก่อนคนไข้ คุณหมอไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนใช่มช่วยคนไข้แต่ไม่ได้ช่วยใจตัวเองเลยเพราะนั้นคุณหมอต้องปฏิบัติต้องฝึกสติทำให้เป็นซะ ก, ก่อนแล้วก็แบ่งปันกันเพราะนั้นแพทย์ทางเลือกรักษณะ่างกายจิตใจร่างกายก็คือเนี่ยดูแลกันไปตามหน้าที่